ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามของเดือนตุลาคม2534เข้าว่าวันที่สานนี่ไม่ใช่วันที่นะเป็นวันที่เราฝึกกรรมฐานกัน <c oughs> ทั้งสองคืนที่แล้วมาก็คุยกันทั้งเรื่องที่อาตมาผ่านความตายมาแล้วสองครั้งทั้งนี้พออะไรไหม ว่าเป็นการเตือน้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธวิสัณฑ์หลายไม่ลืมมรณาโนสิกกรรมฐานให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนกับเบสการี <c oughs> แล้วเราก็เห็นคนอื่นตายอยู่เสมอคนที่เกิดก่อนเราตายไปก็มาก คนเกิดไล่เรียกกับเราตายไปก็มากคนเกิดที่หลังเราตายไปก็มากกลวงกว่าว่าความตายเป็นเวลาที่ไม่แน่นอน <c oughs> ไม่มีนิมิตเคร่งหมาย <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องเกิดเวลาเนี่ยยุไข่เจ็ดสิห้าปีทุกคนจะต้องอยู่ถึงเจ็ดิห้าปียิงตายไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> จากนั้นเมื่อความตายมีแน่นอนชีวิตเป็นเที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไรยังขอบรรดาญาโยมพุทธไวสันหลายคิดไวเสอว่าชีวิตเราต้องตายสวรรค์นหนึ่งข้างหน้าและตามที่พระเจ้าตร น, นว่าท่านหลายโยมอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันทุ่งนี้ <c oughs> ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ก็ได้ แล้วการคิดถึงความตายก็ไม่ใช่ไม่ได้ทำใจหดหู่ไม่มีความละเลยในการงานที่เราทำการงานทุกอย่างที่เราทำตามหน้าที่ทำให้ครบถ้วนรูอว่าถ้าวันยังไม่ตายเราจะได้มีความสุขแต่วเวลาทำงานก็จะคิดว่าคนที่ทำงานอย่างเราตายแล้วนับไม่ทวน <c oughs> เราก็ต้องมีความตายเหมือนกัน แล้วก็คิดต่อไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันมีความสุขแล้มีความทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเล็กน้อยก็จะทราบว่าคนที่ยังไม่ตายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ <c oughs> หนึ่งทุกข์จากความหิวความหิวเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความท้อแท้จากของรักของเอบใจเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็เป็นทุกข์การประกอบกิจกา ร, รงานต่งตางๆมีความหน่อยยากก็เป็นทุกข์ไม่ทุกข์มาจากไหนตามพระบาลีที่บอกว่าทุกข์มาจากตัณหาถ้าพูดอย่างนี้ญาติโยมต้องคิดมาก ก็ขอไม่พูดตามนั้นก็ขอพูดว่าความทุกข์มาจากร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายได้อย่างเดียวความหิวจะมาจากไหนความแก่จะมาจากไหนความป่วยไข่ไม่สบายจะมาจากไหนการชักช้าของรักเข้าใจจะมีได้อย่างไงความตายจะมีได้อย่างไรไก็คิดเช่นเดียวกับพบ ร, ะระบุกคลาภาษาดิบุตร สไ ม, ไมัยเมื่อท่านยังไม่บวช <c oughs> ท่านไปดูมรรสบพทุกครั้งที่ไปดูทุกปีถ้าเวลาไหนชอบใจมากเวลานั้นก็ให้รางวัลถ้าก็มีการรื่นเริงต่อมาในครั้หลังที่สุดเท่าสองท่านนั่งดูมรรสบพต่างคนต่างซึมด้วยกันทั้งคู่เพราะมีอารมณ์เสมอกัน ในขณะนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาคนที่แสดงบททดสบก็ดี <c oughs> คนดูก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ก็ตายเหมือนกันหมดเราก็ตายเขาก็ตายแต่ถ้าคิดต่อไปว่าทำที่ทําให้บคุคคลและสัตว์เกิดมาตายได้มีอยู่เพราะในโลกนี้มีของคู่กัน มีเมืดก็มีสว่างมีชายก็มีหญิงมีสุขก็มีทุกข์ฉะนั้นธรรมี่ทาน บ, บคุคคลไม่ตายในโลกนี้ต้องมี <c oughs> ในเมื่อมหาศพแสดงเสร็จเลิกท้งสองทาง่านกระตางคนต่างถามกันว่าวันนี้ทําไมซึมไปถ้าต่างคขาก็ต่างตอบเหมือนกันว่าเรานึกถึงความตายแต่ก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อความตายมีอยู่ธรรมนิทาน บ, บคุคคลตายไม่อยู่ นี่ธรรมนี่ทาให้คนไม่ตายตาย้องมีเราต้องสองคนจะแสวงสหาธรรมะที่ทาให้คนไม่ตายก็ <c oughs> ไปมาตกลงกันทั้งสองท่านนี่มีบริวารคนละห้าร้อยฝ่ายหนึ่งมีรถอีกฝ่ายหนึ่งมี Bry ม้าจิงแบ่งบริวารใหคนละครึ่งนาพานะไปบ้านบริวารนี่คนละครึ่งติดตามไป ก็ลงความว่ามีนายสองบริวาร <c oughs> ห้าร้อยไปอันดับแรกก็ไปสนักสัญชยัยบริภาชกไปที่ไหนเขาประกาศว่าสํนนักนั้นเป็นพระอราหันต์เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นพระอราหันต์สามารถสอนคนให้ไม่ตายได้ <c oughs> ในเมื่อท่านสอนเป็นคนที่มีปัญญาดีมีความเฉลาด อย่าลืมว่าทั้งสององค์นั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีเข้าไปสอนไม่ช้าก็ปรากฏ จ, จบหลักสูตรเมื่อจบหลักสูตรมีความฉลาดมากอาจารย์ให้ใ่้ยเป็นครูสอนแทนต่อมาวันหนึ่งท่านทั้งสองก็มาปรึกษากันว่าหลักสูตรที่เราศึกษานี่ไม่ใช่ทางพ้นแห่งความตาย ยังไม่ใช่ทางพ้นของความตายยังต้องตายอยู่ยังไม่ถึงจุดจบนี่ธรรมะที่ทาให้คนไม่ตายยังต้องมีอยู่เราต้องแสวงหาต่อไปแต่ว่าวิธีแสวงหาก็หมายความค่อยๆดูค่อยๆค้น <c oughs> ถ้าพบใครก็ถามถามธรรมะที่เขารู้ต่อไปวันหนึ่งปรากฏว่าพระอสุชิเวลานั้นพระพุทธเจ้าสมรูุอภิเศษสม า, านพรโพธิญาณใหม่ พักอยู่ที่พระเวรวัวนกรุงราชฤกษ์ก <c oughs> ในตอนชาพระอัสาชิเข้าไปวินาบัตรในเมืองพอดีภาษาดีบุตรออกไปกธุระสองพอดีเห็นพระอัสสชิเข้าเห็นลีลาแห่งการเดินการทั้รวมถ้ะผิวพันธ์ก็มีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีความรู้ดีมากถ้าเป็นพระที่มีความฉลาด สงสัยว่าจะเข้าถึงธรรมะที่ทำให้คนไม่ตายแต่ว่าเวลานี้ท่านกำลังเข้าไปวินาบาทในเมืองถ้าเราจะถามเวลานี้ก็เป็นการไม่สมควรเป็นเวลาที่เข้าไปวินาบาทจิงรอเวลาท่านกลับเมื่อเวลาที่พระอาสิชีกลับออกมาแล้วท้าสาที่บทยิงเข้าไปเข้าไปใกลย้ยกมือไหว้นีมนมลให้หยุด ก็ถามว่าพแล้วคุณเจ้าบวชในสำนักของใครใครเป็นครูสอนท่านแต่คำสอนเมื่ครูท่านสอนว่ายังไงไม่พูดภาษาไทยนะเอาตามภาษาแล้วเข้าใจง่ายๆถ้าสถิติท่านเป็นพระอรหันท่านมองรปบเดียวท่านทราบทันทีว่าปริพาชกคนนี้มีความฉลาดมากเราไม่ควรจะพูดมาก ควรจะพูดแต่ดยยอใถ้บอกว่าเราเองหรือว่าฉันเองเป็นโลกศิษย์ของสองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามพระสัพพะสมพโคโดมและรับคำสอนของท่านแล้วคำสอนของพระสัพพันนคโคดมก็มีอยู่ว่าท่านสอนถ้าบอกอย่างนี้ก่อนบอกฉันเป็นพระบทใหม่ยังไม่สามารถจะจำอะไรได่มากนัก ถ้าเธอต้องการโดยย่อจะบอกให้ถ้าต้องการโดยพิสดารไม่บอกให้ความเย็นทะลุมากแต่ทะลุว่าภาษาญี่ปุตรฉลาดภาษาดิวก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการโดยย่อไม่ต้องการพิสดารท่านก็แสดงโดยย่อบอกว่าเยธรรมาเฮตุปภวายเฮตุงตถาคตโตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมาหาชวานโน ไอเดียฝันพอภาษาที่บทฟังจบท่านเป็นพระโสดาบันเองเป็ น, นยังอ่ะฝันไปว่าเป็นแล้วาแปลเป็นภาษาไทายว่าทำใดเกิดแต่เหตุถ้าพูทใเจ้าสมตัดเหตุของทำนั้นในความดับของทำนั้นสมเด็จพระมหาสมณตัดอย่างนี้ อาศัยที่บุญบารมีของท่านสองควาเป็นมาเพื่อเป็นอักสาวกเมื่อฟังเพียงแค่เท่านี้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ประสดาบันก็ถามว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพักตรวันพระประทับอยที่ไหนอ <c oughs> ท่านพระสัชชิก็บอกว่าเวลานี้อยู่ที่บริเวณวันในกรุงราชจะคือใกล้ๆที่เองท <c oughs> ่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าไปก่อน ผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งต้องการธรรมะที่ทําให้คนไม่ตายเหมือนกันก็จึงกลับเข้าไปหน้าตาก็สดใสสดชื่นเพราะมีธรรมปีติได้ในสิ่งที่เราต้องการจะได้ใช่ไหมความสดชื่นก็มีอยู่จิตใจปอ่งใสเมื่อจิตใจปร่งใสในผิวพรรณก็โปอ่งใสไปด้วยพระบกกระไลเหเข้าเห็นหน้าตาก็าไม่สใสบดโปร่งัย ก็มีความเข้าใจทันทีว่าวันนี้ภาษาดิบุตรจะต้องพบโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายแน่ยิ่งถามภาษาดิบุตรว่าพบธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายแล้วหรือภาษาดิบุตรก็บอกว่าพบแล้วหลังจะดันทั้งหมดถามว่าธรรมะที่ได้มาเนี่ยคืออะไรท่านก็ตอบนั้นกันว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุ ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสเหตุเขาทำนั้นและความดับของทำนั้นทงเด็ดลระหาสมณสตัดอย่างนี้พอฟังเท่านี้จบก็ปรากฏว่าพระโมกขลาบรรลุปโสดาบันอีกใช่ไหมสององค์นี้โง่จริงๆสู้พวกเราไม่ได้เราฟังมาตั้งเยอะยังไม่ได้เลยําไม่แน่นะที่นี่ใครรักษาที่ห้าครบบัง ถ้าใครรักษาชิ้นห้าครบแล้วก็จิตต้องการพฏิภาณท่านผู้นั้นเป็นรบโสดดาวัน <c oughs> หลังจากนั้นทนั้งสองก็เข้าไปชวนบริวานพ ไ, ไปสมตักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็ไปลาอาจารชวนอาจารย์ไปด้วย <c oughs> ชันจาบริพารช ก, ก็ไม่ไปเขาถือว่าเขาเป็นคณะจา่ายก่อนเขาถามพระพกกลาภาษาญี่ปุตนว่าในโลกนี้คนโง่มากและคนฉลาดมากพระพุกลาภาษาญี่ปุ่นก็ตอบว่าทั้งโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดคนฉลาดน้อยกว่าเคายังบอกว่าถ้าอย่างนั้คนโง่จะอยู่กับเรา คนเจลาติงไปอยู่กับพระสัมมาสดมพ <c oughs> ุเก็แว้ว่าท่านทั้งสองพาบริวารอี่ห้าร้อยคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาเล่ารับใ น, นเมื่อไปถึงแล้วองค์สเสด็จพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศโปรดพอฟังเทศกันแรกโปรดจบบรรดาบริวารของพกุลลาไปส่สบทห้าร้อยคนแบ่งเป็นครึ่งหนึ่ง สองร้อยห้าสิบคนบรรลุพระอรหันต์อีกสองร้อยห้าสิบไม่ได้บรรลุอะไรกลับมาอยู่กับสัญชัยปฏิภาณชคสำหรับพระปกลาภาษาธิบุตรได้พระโสดาบันและวั้งคู่ยังไม่ได้ต่อให้ขวัญนั่นแหลนะเพราะปัญญามากต่อมาพระปกลาฝึกฝนอีกเจ็ดวันจึงเป็นพระอรหันต์ พระสารีบุตรฝึกฝนสิบห้าวันเพียงเป็นพระหันต่อมาก็มีพระถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าท่านทั้งสองนี่มีบารมีมาก <c oughs> บำเพ็ญบารมีมาเพื่อความไม่อากสาวกโดยเฉพาะแล้วทำไมการฟังเทศของท่านทั้งสองทั้งทั้งที่ได้ไประสดาบันมาแล้วโดวยฟัง อ, อ, อรัตร์โดยย่อ <c oughs> ต่ขณะที่ฟังเทศเจ้องค์สุเด็จประสิ ม, มาธรรมพุทธเจ้าจับยังไม่ได้รูม้มรรคผลต่อไปพวกะลาอีเจ็ดวันจึงได้ภาษาญิบปุ่นสิบห้าวันจึงได้สุดเด็ดประจำใจในสัตวว่าพิฆ เ, เวยดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าบกะลาะกับภาษาญี่ปุ่นเปรียบเทียบเหมือนกับพระราชาบริวารนั่นก็เป็นบริวารของพระราชา ตามธรามดาพระราชาจะเสด็จไปไหนบริวารไปถึงก่อน <c oughs> พระราชาไปถึงที่หลังโมกขลากับภาษาที่บุกก็เช่นเดียวกันเพราะมีปัญญามากช่างคิดเพราะว่าจำนบริวานสองรอยห้าสิบคนนั้นถ้าไม่คิดท่านฟังตามแล้วก็เชื่อทันทีในเมื่อเชื่อทันทีพุะเจ้าธันเทศถูกพระเยเทศผิดก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ ทั้งสองท่านยังไม่แน่ใจคิดตามไปก่อนที่ใจเราฟุ้งสา่านต่อมาเมื่อฝึกฝนไข้วนอีกเจ็ดพรรษาวันจะได้อราหานถ้าถึงอรหานก็ถึงว่าถือว่าเข้าถึงโบกฐธรรมรธรรมเครื่องพ้นจากความตายในหมายความชาตินี้เราต้องตายแต่ชาติต่อไปความตายไม่มีในชาตินี้เขาก็ไม่ได้ว่าตายเนี่ยเาดิพันจะ ต, ตายนะ นี่พางก็ตายกันเหมือนกันเดนก็เป็นว่าสำหรับบรรดาท่านพุทธบริ ษ, ษ, ษัทก็ให้คิดเหมือนพระบุคาลลานในในภาษาดิบุตรว่าในระหว่างนี้ที่กำลังทรงตัวอยู่นี่เราทรงอยู่ในระหว่างความทุกข์ความทุกข์มันมีกับเราทุกวัน เรกว่าที่เรีกวานิพพัตะทุกตะทุกเนื่งนิดกัางคืนหนึ่งความหิวตื่นเช้ามาก็หิวกลางวันก็หิวตอนเย็นก็หิวนี่ไม่ดีแถมกลางคืนก็หิวพระมีกรรหนักหิวได้แค่สองเวลาเช้ากับกลางวันเย็นหิวไม่ได้คนที่ตั้งนี้มีบุญมากกว่าหิวแค่ตลอดเวลา ดีไม่ดีหลับยังหิวแล้วฝันหิว <c oughs> มีไหมเฮ้ยใครมีไหมฝันหิวนะเออคือเรื่องควาว่าความหิวมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กเราจนชินแต่เราไม่คิดถึงว่ามันเป็นทุกข์ถ้าบังเอิญเราไปหิวขณนะที่ไม่มีอาหารเมื่อไรเมื่อ น, นั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างหนัก ความหิวเป็นทุกอย่างยิ่งที่พระเจ้าสัตว์ปชีคัจฉาบรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมันหนักที่งกว่าอะไรอื่นทั้งหมดแล้วก็าการปยอุจาระปัสสวะก็เป็นทุกการประกอบกิจการงานต่างๆก็เป็นทุกก็หวนกลับมาว่าบรรทุกเพราะอะไรทุกเพราะเราเกิดเราเกิดมาเป็นคนก็ทุก แล้ว เ, เกิดในอบายภูมิก็ทุกข์ถ้าเกิดปเป็นเทวด า, เ ก, ด า, าเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นพรหมไม่ทุกข์เป็นสุขแต่อยู่ไม่ได้นาน <c oughs> มาบทบุญวาสนาบัดมีก็กลับมาทุกข์ใหม่ก็สรุปว่าขึ้นเชื่อความเกิดเกิดที่มั น, นหมายความเกิดเป็นคนอย่างเดียวนะเกิดเป็นคนท่านก็เรียก ว, ว่าเกิด เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแป็สุรกายเป็นสติฉันท์งก็เรียกว่าเกิดเป็นธรรดาเป็นนางพระเป็นพรก็เกิดในช่วงที่เราเกิดยังเกิดอยู่เพียงใดเรายังมีความทุกข์ความทุกข์จะสิ้นจากเราไปได้แต่เมื่อเราไม่เกิดอย่างนิพพานนี่เขาไม่เรีย้เกิดนิพทะระดับนิพพานนี่เขาประดับนะขันห้าดับ กิเลสดับก่อนแล้วขันหน้าก็ดับเมื่อดับแล้วจิตใจก็ผ่องใสไม่มีกิเลสก็ไปอยู่ที่พานไปอยู่ที่พานมีแต่ความสุขความทุกข์ไม่มีแล้วอยู่ที่พานก็ไม่เคลื่อนไปไหนอีกอยู่ที่นั่นตลอดไปตอนนี้พวกเราจะทำยังไงเราจะไปบ้าง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทีที่เราจะไปม้างมันก็ไม่ยาก ความจริงเรื่องพระพิพานจริงๆแล้วไม่ยากแต่ที่ยากเพราะคนไม่ตัดสินใจตามนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับพระภพรยะว่าพระไพยะเธอเธอจงอย่าสนใจในรูปการจะปพิพานนตัดรูปตัวเดียวในขณะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัดตัวเดียวที่รูป หรือว่าอาจาร์สอนพราอีกอหนึ่งลายอจีรังวัจยังกายโยก็เธอจงคิดว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่ใชากับมีวิญญาณไปลัดแล้วร่างกายเป็นของที่ต้องทอดทิ้งจะมีสภาพไม่ต่างกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้ตัดสิ้นใจว่าเราไม่ห่วงร่างกายเสีย ยงจบเท่านี้เะอานั้นก็ไ ป, ประราญถา่านิพพานในการนริพพานตัดเฉพาะที่รูปอย่างเดียวเขาก็ง่ายๆนะถ้าขายากยากก็ยากหรือเรื่อเวลาตัดแล้วก็ต้องซ้อมต้องค่อยๆตัดจะตัดแรงๆเอาทีเดียวขาดมันไม่ขาดออกต้องพยายามซ้อมอารมณ์ให้ชิน การตัดรูปกรมันให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายถ้าร่างกายมันตายปราศจากลมหายใจเราไม่ยอมตายด้วยเราคือจิตใจเดีวยวที่สมารคกายที่มันไม่ยอมตาย <c oughs> ถ้าอารมณ์ของเราชั่วเราก็ไปสู่ทุกขติ ถ้าอารมณ์ของเราดีก็ไปสู่สุคติมนสวรรค์เป็นต้นถ้าอารมณ์มีความเข้มแข็งพอสมควรก็ไปประมาโลกถ้าอารมณ์บริสุทธ์ผ่องใสแล้วก็ไปนิพพานตอนนี้การไปนิพพานไปได้ยังไงก็มา น, นึกถึงพระไพยยะที่พระเจ้าทรงสอนว่าจงอย่าสนใจในรูปจะเป็นรูปคนหรือรูปสัตว์รูปวัตถุต่างๆก็ตาม เราไม่สนใจในมันแต่ว่าถ้ายังมีชีวิตยอยู่เราต้องใช้เราต้องสนใจต้จิคิดไปเสมอว่าต่อไปแม้ถ้าเราตายเมื่อไรขึ้นชื่อรูปทั้งหมดพวกคนก็ดีรูปใส่ก็ดีรูปวัตถุ ก, ก็ดีจะไม่เป็นของเราเราไม่ต้องการมันอีกเลยเพราะอย่างยิ่งร่างกายของเราการมีร่างกายเพิ่งมีรูปอย่างนี้เราไม่ต้องการมี ถ้าคิดเพียงเท่านี้บรรดาเจ้าบริสัทคิดว่าให้ชินอันดับแรกนึกถึงความตายก่อนมันตัวเดียวกันในการที่ไม่ต้องการในรูปของความตายเนี่ยตัวเดียวกันถ้าเรานึกถึงว่าเราจะต้องตายเป็นสมถาภาวนาถ้าคิดว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นวิปัสสนาภาวนา พันตัวเดียวกันในนี้ใเมื่อเราจะคิดอย่างนี้นาะนแล้วก็ต้องทำด้วยวิธีทำทายย่ายังไงทำแบบง่ายๆหัดพวนาว่าพุทโธก็ได้นามัทะก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อิทีสุขโตก็ได้อะไรก็ได้แต่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะ ขณะที่อยู่ที่บ้านนั่งหน้าพระพุทธรูปตั้งใจกราบพระพุทธรูปคือนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพต่อไปก็ตั้งนามโมตั้ง น, มนามโที่แสดงทั้งกาดว่ายพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพแล้วก็ตัดสินใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนั่นคือนิพพานเราก็ต้องการนิพพานเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็ดั่งภาวนากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกการกําหนดรู้ลมให้ใจก็ออกรรมออนานี่เป็นการฝึกจิตให้มีการทรงตัว <c oughs> จิตมีการทรงตัวก็หมายความว่ามีสติสัมผัจัญญาสมบูรณ์ต้องฝึกเขามันทรงตัวไว้ไม่อย่างนั้นเวลาที่มันจะตายจิตมันจะไม่คิดถึงมันจะไปยุ่งกับสิ่งอื่น ในเวลาที่สงัดเราต้องการเฉพาะอย่างเดียวคือหนึ่งรูล้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกอยาวหรือสั้นก็รู้แล้วก็รู้คำภาวนาด้วยให้ร ม, มันชินทำไปจนชินจนกว่าจะเพราะว่าพราะจิตบ้านจกอารมณ์อื่น มันก็นึกถึงคํภาวนากับลมให้ใจเขาออกขึ้นมาทันทีอย่างนี้แสดงว่าจิตเริ่มเป็นฌานในอนาปาโนสติกับพุทธานุสติก็ตามอะไรก็ได้แต่ว่าการภาวนาอย่างไงก็ตามถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นพุทธานุสติก <c oughs> ก็แปลว่าจิตเป็นฌานในอนาปาโนสติกับพุทธานุสติกส <c oughs> ถ, ถ, ถานะระหว่างที่คนจะตายมันมีทุกขเวทนา ม, มาก ถ้าทุกขเวทนาน้อยมันก็ไม่ตายมันก็ปวดต้นเจ็บนี่เจ็บนี่ปวดนั่นแล้วก่อนหน้านั้นที่ประการที่เราภาวนาเราต้องการให้จิตมันทรงตัวนั่นเรื่องเพงพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องการว่าถ้าตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้นน้การฝึกภาวนาให้จิตมันทรงตัวมันก็หมายความว่าเวลาที่มันปวดตางหนักทุกเวทนามันมาก อารมณ์ถ้าเราจับได้เขาสมาธิเล็กน้อยทุกเวทนาจะเบาลงในเวลาที่ป่วยหนักก็จะตายกิเลสต่างๆมันว่างคืนหนึ่งราคาความรัก <c oughs> มันจะไม่มีกับคนที่มีทุกเวทนาหนักสองโลภะความโลภสามโทสะความโกรธสี่หมหรคความหลง เ, เวลานั้นมันเหลืออย่างเดียวคือทุกขเวทนาตอนนี้นถ้ากำลังใจของเราชินต่อการนึกถึงวัตถิพัณฑ์บรรณามณ์จิตมันจะมีความรู้สึกโดยอาศัยสติสี่ัญจะที่เราซักซ้อมไว้ภาวนารู้ ล, ลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาจิตมันก็จะมีความรู้สึกว่ากายเกิดเป็นทุกขอย่างนี้ก็มีร่างกายเป็นทุกอย่างนี้ขึ้นที่ว่าร่างกายเป็นทุกอย่างนี้จะมันมีไม่มีสําหรับเราอีก เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราต้องการนิพพานไอ้คาว่าเราต้องการนิพพานจะมีหรือไม่มีก็าตามจะมีะได้ความรู้สึกว่าร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเท่านั้นแหละเมื่อสิ้นรสมลานอะไรก็ไปนิพพานเหมือนนั้นนี่ของง่ายๆนะให้ยากอย่าให้กินย า, ยากๆก็าตามใจเ <c oughs> ห็นไ้มฉันไม่ชอบข้าวดิบชอบข้าวสุก ใช่ไหมแล้วก็ข้าวสุกที่ก็วางไวงข้างหน้าเนชอบกินวางไกลก็ขี้เกียจเดินไปก็ะอะไรไหมกินของไกลามานานแล้วเมื่อก่อนนี้มันยังโง่อยู่ข้าวโน่วนว้านี่ว้านี่ค้านั่นว้าผิดบ้างว้าถูกบ้างจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากต้องดูคำสอนขององค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้า ท่านสอนเฉพาะจุดในขันห้าขันห้าให้ตัดเฉพาะจุดเดียวคือรูปคือไม่สนใจในรูปถ้าได้นนเนื้อเราไม่สนใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่รูปเรามองไม่เห็นมันก็ตัดไปในตัวเสร็จกลงความว่าทุกคนถ้าต้องการบริพารแล้วก็จงอย่าลืมนะหนึ่งนึกถึงความตาย สองยอมรับตังถิ่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพสพยายามมีศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ระวังเวลาจะตายบาปจะเข้ามาตัดหน้าบุญถ้าบาปเข้ามาก่อนบุญเข้าไม่ได้ไปอบายภูมิต้องมีศีลกันอบายภูมิไว้หลังจากนั้นเราก็คิดถึงปฏิพันธ์เป็นอารมณ์ ทำบุญนิดหนึ่งให้ทานหน่อยหนึ่งเราต้องการนิพพานไม่หวังผลตอบแทน <c oughs> เพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัทนิพพานเป็นของไม่ยากตายเมื่อไรเป็นนิพพานเมื่อนั้ น, มม น, มนมเมื่อมัหมดไปลายก็เลิกกันนะต่อเนี้ไปพระดาจต่พุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานสิ้นสม า, า, ามทานเป็นกรมฐาน